ความร้อขึ้นือดีนะต่เรานม่ควรที่ตัวเขาไม่ใช่อะไรในกรานนะให้เวลาพักนการออกไปข้างนอกเวลาเลยตีเจ็ดนั่งตามพานนะเราก็สามาก ภาวนาได้โดยไรเราฟังนะเราฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินด้ฟังนะเกิดเกิดความรู้ในการฟั ง, งหรือได้ยได้ฟังแล้วนะเกิดความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เราได้ยนได้ฟังก็เป็นปุถุชนญาที่มนะันฆาตนาเอามาที่การฆกตนาฟังโดยฟัง พัฒนาความรู pues y y. RC, air, ้พัฒนาความเข้าใจจากการได้ดีนได้ฟังก็ดีหรือจริงเราเราเรารู้เราเข้าใจประการวัติพันที่มันมันเกิดขึ้นขณะที่ฟังอย่างเช่นเกิดความสงสัยมีปิติใจเราเห็นความสงสัยแเรารู้ทันฟังไปแล้วมันดีใจฟังไปแล้ว มันไม่พอใจบางดีถ้าเราเห็ น, นเห็นดีความดีใจความพอใจจะเห็นความไม่พอใจในใจของเราเราฝันเราต่อใด้เราได้ปัญญามากขึ้นนะเติมปีเติมปัญญ า, าแม้วความปัสเทกถึงดีความตันดาถ้าเราได้เห็นใจจะเห็นนะได้ปัญญามีตันาเราต่อใความไม่พอใจ แต่ถ้าไม่เรีนยนนี้มันไว้เนีมันก็มันก็ทำเงิไมได้ได้สติเป็นอย่างห น, นึน่งไปความคันก็ได้เป็นการพาวนาภาวนาโดยการรู้ตัวมากขึ้นพัฒนาที่พัฒนใจมากขึ้นหรือใครจตั้งเป็นวะเจริสติต่อไปไดให้เท่าไหร่แล้วก็ใส่ความรู้ตัวในการต้า ก็รตัวรู้กับการเคลื่อนไหวเป็นมาตรความรู้ที่ได้การได้ยินได้ฟังก็ถึงเรื่องรองก็ได้เรื่อไหนมึนไปเรื่องไนปวดใจก็มันก็จันนะเรืองไหนก็ติดอังคนนั้เองเรื่องไหนไม่สนใจก็ผ่าผ่านไปทุกข์เป็นมาก็ช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะตรงมีราให้เราเือ แต่ใครจะพักถามแต่ใครจะแต่จะจะทำความเข้าใจาในิดนึงในการปฏิบัติเพื่อเราจะแดกไปปฏิบัติต่ อ, อมันคือว่าใครไม่ใน่ใจว่าที่เราทำได้ทำไมทำได้มันเป็นแบบนี้ทำได้ทำไมเพื่อําได้ทาไมมันไม่สมบูรณ์เลยประสงค์ใ มันก็ติดใครอะไรก็ทานกันไา้นะมีใครก็านเะ อ, อเคนะมีมใครก็ทานก็ยกนีนะก็ต้องกต้องดนะดูเด็กอย่าคิดถาถากตอนเลิแล้วนะ มันเลย are. ี่ไปเหรือนกันจงมีแตละต้อต้องเลื่อนไปเป็นไงบ้าก็คิบัติเป็น แล้วเขาใจเราไปเหมือนกับเอ่อรับรู้ว่าค่ะถึง้ป่าคะช่วงช่วงคือหมายถึงว่าช่วง44ที่ว่าหมายถึงว่าช่วงที่อาจารย์บอกว่าให้ให้เหมือนกับมีเลี้ยจังหวะใช่ไหมคะที่นั่นค่ะหวใจเราหมืนจะไปไปวางตรป่าคะซจังหวะที่ที่หักลงจะในจระหะที่เราเรากำลิ่งอยู่แล้วก็ช่วงเดิน เท้าเราเนี่ยพอเราต้นใจเรานี่ยไปนสัช่วงสว่าช้าดยการไีนป่หรือว่าต้องต้นต่อเนื่เลื่อยๆรือาัปเโซ่หมว่ามันมันจะต้องสับหรือว่านั่นกระบอออย่างเงี้ยเองนั้งนะรู้รู้รู้รู้แต่มันรู้เหมือนคล้ายๆเกี่ยวกมันต่อ่อยงนั้น และสี่หก็คือสี่ารั้งถึงได้หลักอันนี้โดยข้อก้าแต่บางคนพิธีแค่ได้ให้ถูกนะเพื่อนก็รู้หยุดก็รู้เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้แต่พูดใหม่ๆก็บางทีถ้าพูดแบบพูดเพื่อนรู้หยุดรู้บางคนมันเป็นเครียดเกินไปบางทีมันจะเป็นความโกันเป็หลัเพื่อนเป็นหลักเด็กมันจะเป็นความตั้งใจเกินไปแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติ พอทำงานเขาก็จะรู้แบบสบายๆทั้งเพื่อตั้งอยู่พิธีในบางขนามันก็รู้อารมณ์ที่จะเหยียดแทะเข้ามาได้แต่รู้แบบไม่้ตรงใจนะบางทีมันจะพิจตาหรือพิธีแม้แต่องค์สัมผัสบ้ามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาแทะมันได้ทั้งหมดเลยแต่เรารู้แบบไม่ได้จบบกําหนดไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะรู้แทะพิธีเป็นวันนท่านั้น ในงานมีกายเป็นแบบบริการมาร์ทเกินไปให้เรารู้แบบสบายสบายคล้ายๆเหมือนเราดูคนอื่นดูร่างกายดูร่างกายของเราเองที่เคลื่อนไหวแต่ให้ดูเหมือนดูคนอื่นสิ่งที้แปลว่าช่วงตอนที่เราเนี้ยเหมือนกับแค่เราดูไม่ทำใหนรู้ใช่ไมคะไม่ไม่มีไม่รู้ช่วงตอนที่เราเหมนแบบความเคลื่อนเนี้ยเราเราเรไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรเราแค่เป็นดู ดูอยู่ข้างนอกแต่ว่าเราเหมือนดูตัวเราเองนะคะแต่ไม่ใช่เรารู้สึกใช่ไค่ะถ้าถ้าแตลว่าอย่างนี้ค่ะคือให้จักความรู้สึกตัวดีกว่าค่ะความรู้สึกคือสภาวะดูไอ้ที่เรารู้สึกรู้สึกถึงการเคลื่อนเนี่ยคือสภาวะที่มัเสร็จความรู้สึกตัวแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราสนใจเราอยู่ที่ที่ท้าหรือที่มือเพราะถ้าเราสนใจอยู่ มันเกาะไปแบบที่มือที่ค้าแล้วมันจะเป็นพลังขับมันเป็นการอืให้กล้ามเหนื้อบรรพตมากเกินไปเราดูเหมือนเราดูดูมันย้อนด้วยกัมาอย่างที่เห็นนะเวลาเราทำแต่นั้นแต่มันเห็นคนอื่นทำมันก็มันก็คือเห็นการเคลื่อนไหวของคนอื่นแต่เราทําเองมันจะมีสภาวะที่ ความรู้สึกที่ที่เราได้สัมผัสเองการเคลื่อการโยกมันมีมันมีแรงมีการสัมผัสเนี่ยเรารู้คนอื่นคือเราเห็นเหมือนว่าเราเห็นแค่ท่าแต่เราจะไม่รู้สึกถึงถึงพลังงานตรงนี้แต่ถ้าเราทำเองเราจะรู้สึกแต่รู้สึกตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราก็าไปเอาจีไปไปแน่หรือว่าไปเกอกอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราเกาะแค่ตรงนี้ บางทีเราจะู้ตัวนะเรายกเรากิดเรากเกอยู่ที่มีบางทีหน้าตาเรามันเนเคร่งียดมันจีนจังอันนี้เราจะดืนตัวตรงนี้ดืนตัวว่าใจเนีนังเป็นไปจีนจังก็ไม่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยเกินไปก็ไม่ถูกใช่หะใช่การใส่ใจรน้นนหละคือระหว่างการจีนจังเครื่จ้่งสัปการที่ใจ ใจเหนือ่อยหรือว่าจะอยู่ความคิดจะอยู่อารมณ์ตรงการเนี่ยเขไม่ใช่ว่าไม่ใช่านนะาาการแบบนี้นะการคือการดูเห็นบางทีมันจริงการเดินไปเราเห็นไม่เห็นมันจะกลับมาพอดีหรือว่ามั น, ม, นมันคิดเปลี่ยนไปคิดที่จิงว่าพอรู้นะทันว่าผิดคิดมันจะกลับมาทาําะไรตอคิดมันจะตัดไปเราก็จะเห็ น, า ก, น, หนการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนที่ จิตใจก็จะับมาเป็นปกติเมันเดิ ก็าห้คิดไา้นะแต่ให้คิดเป็นเนื้อที่เป็นเนี่อธรรมะให้คิดถึงอบตุภะธรระผสมให้บางทีม่วมากไม่ไหวบทีเราสวดมนต์ในใจสวดมนต์แต่ละห้างธรรมะเรยนะแล้วแต่เราเพราะอีกเร า, ดดาก็จะถูดมาจากความน้อยมาอยู่กลางสวดมนต์คล้ายกับการคิดเหมือนเราจะนอนนะเราคิ ด, นนคดมันก็จ ะ, จะ ไม่ไม่นอนไม่หลักนะเขาจิดมีเหความคิดแต่บางทีความคิดในขณะนั้นมันจเป็นเรื่องเรื่องที่เราขาดติอันั้นถ้าเราอยู่คิดก็คิดอย่างที่ว่าเอาสติดึงจิตมาคิดถึงเป็นบทส่วนมนคิดถึงธรรมะแต่ก็เลยคิดมากเพราะว่าเราไม่ไป้สติแต่ถ้าบางทีบางทีก็ใส่บางทีก็ใส่ความขยาะ มันเป็นธรรมาที่จิตอ่ะพอมันไม่ได้ติดเตะอารมณ์เตะในี่นี้คือว่าไม่ได้ทีนนนนน่นั่นที่นี่อยู่ไม่ได้ไปดูดหนั่นดูนี่ไม่ได้ไปพูดคุยเปลี่ยอารมณ์อ่ะจิตมันจะได้ตื่นเข้ามาซึ่งที่จริงมันก็ใกล้เคียงกับสมาธิแต่เพียงว่ามันมากไปมันก็เลยเป็นอีรันทพ่ะนะตอนโมงนอนหานอนอืนั้นแบบก็มีและค แต่ถ้าเราปลูกสติไปนแนะเออบ่อยม่วงก็เสื่อมของมันแต่พอสติมันมันได้กำลังมากขึนน้นมันจะคล้ายคล้คนออกมาได้ไป้า้าเหมืนเราจนน้ำก็จะเกลี่ยกระจายเพื่อเป็นขั้งมันค้นได้มันก็ต้องแบบนั้นอะไรอย่าเงี้คือความที่คิดอืงน่าสนใจในกาแต่รพัฒน์ตัวร้ายตรงไหนมาง มองมองธรรมดาม อ, ามองธรรมดาไม่ไม่จ้องเป็นกันมาก็ไม่ต้องไปจ้องกระเป๋าอะไรข้างหน้ามองเหมือนมันเราถ่ายภาพก็ไม่ต้องดีโฟกัสอ่าไม่ต้องโฟกัสหน้าคนไม่ต้องโฟกัสตำแหน่นองอะไรตรงนี้คือแบบมองดวงดวงคือมองพิจิตมองแบบไม่ได้สนใจใครทุกคนค่อยๆหน้านะคือ ม, มองก็สักแตว่ามองแต่ถ้าใจเราเมือมีคนเดินผ่าน มันเป็นจุดใจบางคนถ้าเรายดูตัวเราก็จะมองตา น, นี่คือาหลงไปหรือบางคนอาจเขาผ่านไปแล้วนะแต่ใจเราคิดตาอันนี้คือเราืนตัวนั้นเราก็อมองธ ร, รมดาอะไรจะผ่านมาเราก็เห็นเห็นแล้วถ้าใจเราไหลไปกับเขาเราเรียกใจมันปัดมาหรือมับนี่ตัวอันนี้คือเราก็เลยคิดว่าบางทีนนเราก็ สติผ่านการที่ดึงตาเพราะว่าเมื่อเราติดใจคิดจันทรวันตาเราเห็นรูปข้อไม่ท่อมันจะเกิดขึ้นในหลายขนมาถ้าเราเคยสติแล้วรู้ทันว่าเห็นใจที่ไหนวิชอว์หรือไม่ข้อวมันจะกลับมาได้แต่ถ้าในปฏิบัติตอนนี้ก็วิงอว์เราต้องมาเหตุกับผลนะทําไมเราถึงชอว์ตนนี้ไม่ถึงไม่ชอบตอนี้วางไปเลยกลับมาตอนเนี้ แลาก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองที่ที่เปิดไปอืที่เปิดไปแต่ก็ต้องระวังคนคล้ายๆมองแบบอืแบบบางคตัวเองมน้าเกินไปหือใายตาแข็งเกิไปมองสบายๆแต่ถ้าง่วงนอนบางทีก็ตั้งใจมองใี้ยู่ก็ได้นะนตั้งใจมองคนที่เขากระยานมาเลย ได้กำลังใจหรือคนก็มองคปที่วงมอง้วได้ก็มันได้เกือนตัวเองถ้าเราเผลอหลับตนั้นถ้ามีคนแอบมองมันจะเป็ความละอายจวนม้กล้าหลับก็มันเป็นการแกล้ลงนะตรงนี้มันก็เป็นเทคนิคที่เราต้องลองดูดู โกไว้แล้วมั น, นหรือวัจะรู้แต่รู้อย่าง น, เนเีเดินซ้าขาหรพอเดิน้ายก็ซ้ายขวากว็าาากาไม่ต้องรู้แค่แค่รู้สึกธรรมดาเพราจะจริงจริงในในสาที่เข้าบริกรารก็าาสูงจุดหนึ่งครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้ที้บริการมาเลยคือแค่ได้จปให้บริกร า, ารเพื่อเป็นการกำหนดภวิธิ หลายๆคนมักจะปรุงสร้างไรเกเอาเอาควมบริการมากระหน่นแต่อีกจุดนึ่งมันก็ต้องทิ้งความบริการเหมนกันกแต่ของหลวงพ่อเทียนเองเขาก็ให้ทิ้งก็แต่บางแฉกเลยแล้วก็รู้สึกถึงการถึงการเดรินเจทธรรมชาติสิ่งเด่นลงไปก็ไม่เป็นไงก็ก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะ มันจะหลงหรือว่ามันจะไม่สงบอยเพราะจริงมันไม่สงบเราก็รู้มันไม่สงบหลงไปแล้วก็กลับมาได้ไม่เป็นไรเพราะว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะเอาความสงบนะครับไปว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสงบหรือไม่หรือปฏิบัติเพื่อให้มันไม่คิดการภาวนาคือการเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในใจมีใจอืม เพราะความอิจฉามันจะแสดงแสดงอะไแสดงไปรัฐอะเรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันเฉยๆอ่ะเติบดีขึ้นนี่คือมันเปลี่ยนแสดงนั่นเมื่อกี้นั่นข้างนี่สบายอ่ะรัดัดมันก็เป็นพุกแล้วอ่หรืออิมันก็เป็นพุกความง่วงต้องเดือดมันก็เป็นความพุกของอิจฉานะน่ะมันก็แสดง แต่หลายอย่างอาการพับไม่ได้นะนั่งไม่ได้มันไม่ให้มันไม่คิดก็ไม่ได้มันก็คิดกับมันใชหนั่งให้มันไม่ง่วงก็ไม่ได้นันงก็น่วงกับมันนี่เป็นธรรมชาติเราเห็นเห็นใจรักมัน่แล้ว่ามันเกิดเป็นยาเกิดเป็นยาถ้าเราสบายเราแค่ในความสบายมันสูง มันเป็นเห็นความจริงหรือถ้าเราอยากให้มันสุขตลอดไม่อยากให้มันคุกคลีคือเราพยายามที่จะื่กความจริงทำแบบเป็นัดตานี่ไม่ใช่เรียนรู้อะไรมตา ถ้าจะสุดต่อที่บ้านสมหรับคนที่มีเวลาน้อยเนี week, middle, floor, oh ่ยวันนึงอย่างน้อยที่สุดเลยค่ะคณกี่นาทีแล้วเราคนเห็นว่าคนจะทำอย่างนี้ด้วแบบคือสร้างสิ่งจังหวะหรือว่าใช้โยนคนแทนก็ได้กอได้ใช้โยนเป็นแ่บแเวลาได้ตอนตื่นนอขึ้นมาเรามีเวลาว่างเราก็เลยพิเศษ พอปฏิบัติได้แล้วเราไปทำงานไม่สายเราต้ปฏิบัติก่อนได้ไหมมาว่าถ้าเราปฏิบัติไปแต่ตอนช้าตื่นขึ้นมาเดินไปนั่งคือปีกันวารหรือว่าเปเดินเป็นคงก็ได้มาว่าะป็นการที่ใช้ตั้งต้นชีวิตในแต่ละวันเราไม่ดีตื่นขึ้นมาเราตั้งสติครับเราได้ปติกลับมาพอต่อไปเราจะทํำปีกอย่างอื่นสติมันจะตามไปงไ่าย เ, เราจะไปแปลงฟันเราจะไป อาบน้ำเราจะแต่งตัวเราจะทากับข้าวเรากินข้าวมันจะออกสอนเนื้อไปหรือในคลิปใจวันเราจะทาํางาเด้่อนกลับมาก่อนนอนเป็อย่างที่เร า, านำนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบบางทีความคิดหรือว่าอารมณ์ที่เราติดในแต่ละวันอารมณ์ที่เราไม่พอใจหรือชอบใจไบางทีมันทำให้เราปวดใจ บ, บ้างขึน้นมาหรือว่า ไปแลกภพกลายเป็นความฝันพักผ่อนก็ไม่พอคล้ายๆเหมือนเราเราคย้ายเราเคียร์ขยะในใจของเราทุกวันบางทียิ่งตอนเย็นเคียร์จะุ้งเยอะเพราะว่าตัวจิตอารงณ์หลายอย่างแต่ก็ฟุ้งในขนาดปฏิบัติข้างหน้าอรอนอนล้าก็ปฏิบัติต่อส บ, บายๆตอนนอนจะ่หลับตาก็ได้นะดับตาที่ ตาไม่ได้เข้าไม่ได้ออกให้มันสั่นตาอย่างน้อยก็อยากที่ทํานะก่อนตื่นนอนขึ้นมาหรือว่าก่อนนอนอยากให้ทำในรูปแบบก็หน่อยยัด แ, แต่อาจจะแตะธรเวลาได้แล้วก็มันจะทําให้ในที่ด้วยกํมามนิของเรามันจะมีสติได้ง่ายขึ้นในเรื่องต่างๆหรือที่จริงเราว่างอะไรลงว่างอะไรใชนะ่อืมว่างอะไร การทาแบบนี้ไม่มีใครรู้นะคืวนี้ก็ได้เดือดบนรถไฟฟ้านั่งกูลมหายใจขณ ะ, ะที่ค น, นอนนื่นเขาเรินั่งอยู่ในวถส่วนแล้วก็เัิดสติอยนี้มันเป็นเหมือนการเหมือนหลวงพ่อสติแท้เลยค่ะการเฉลยปรางบ้างอะไรสร้างสตินั้นอสติมันขาดไปในการที่ ตาเห็ลูหูได้ยินเสียงหรือใจเฝือิจิตนหะิมันจะเสร็จเป็นอัตโนมัตเพราะเราใจสุดไหวคอนเฝอไปมันจะรู้ตัวได้เร็มันจะตามมาดเลยไม่ต้องรอว่าตอนเย็นเข้ามาปฏิบัติแต่มันจะเห็นการปฏิบัติในแต่ละข้นมาแล้วก็มันก็จะเขาใจไปด้วยกับคิดไปามๆน้่ายการร้องเฝอสตินั้นเนี่ยเราควรจะต้องส พวกนี้ค่ะคือเคยได้ยิหมอว่าถ้าถ้าเราทำสมาธรมันจะมีกำลังของจิตมากขึ้นอนี้ค่ะที่จริงที่จริงวิถีมังก็ไม่ได้แยกสมาธิเพราะจริงพอเราทำทำแบบต่อเนื่อมันต้องมีกาลังสมาธิที่มันตั้ติดใจได้จะเสิดความตั้งมั่นมากขึ้นะมาาินี้ไช่ว่าต้องไปแยกเรื่องนี้สมาธิเรงนี้มีปัสสมาที่จริง มันทำคู่กันได้แบบนี้แหละทำคู่กันได้แบบนี้แต่กางวิธีเขาอาทิตย น, นี้กาถาก่อนแล้วก็ามาเ ป, เปญญาาาริเจริญปริยาคือการพิจารณาดานใจเป็นใจรนะ่าเริงนก็ยกขึ้นมาแต่มาว่าในชีวิตคนส่วนใหที่เราทำงานนะจะทำสมาธิาาท่านได้ได้สมาธิท่านที่เหมาะกับการต่อวิจารนามันเป็นรยาก อ, อยูอย่ แต่วิธีนี้มันก็มันเป็นท่านสมาธิที่พัฒนาในตัวมันก็มีความตั้งมั่นนะที่เป็นามาธิคือความตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่ควรแารงานคานแต่การงานทั้นทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะเหมือนจิตตอนมีสมาธิอ่านหนังสือก็อรู้เรื่องฟังฟังบรรยายก็จัดประเด็นได้นะใช่ไหมหรือว่าเราจิต ก่อแต่งานอีกมีสมาธิตันน้งมั่ น, น, นก็เห็ น, น, นเห็นเห็นรูปเห็นงานการคอนเป็นจริงเห็นใจรัก่ิังแสดงในรูปในงาน น, น, นีน่จึงงานที่จะทาให้เราเกิดปัญญาทางเข้าใจความจริงในท่า น, นานจริงปล่อยวางได้ มีมาได้ปากกิจกรรมพวกนี้ใช่ไหมใชกิจกรรมพวกนี้ที่ที่ชั้นสองก็เหมือนเดิมนะแปดโมงขึ้งถึงสิบเอ็ดโมงถึงที่แ่งนะก็ชั้นสองก็เป็นการปฏิบัติบูชาอาไท เป็นงานประกาศสุาภิบาลทั้งสองเติมชั้นที่หนึ่งก็เป็นงานนำลูกคุณหลวงพ่อคาเขียนก็จะมีถวายพระกระหั่นพระอนเช้าก็ไม่ใช่เพียงใส่บานแต่ก็เหมือนเอาอาหารมารวมรกันหรือว่าจะเป็น่ารประการไปในคาแรกแต่ร์ประมาณ้าไคร่ะตัวกะไคร่ใหญจะมาก็ เริ id, il, ่มเจ็ดมงเช้าเขจะมีรมาประมาณก็เกิดสามสิบรูปแจกต่งแจกหลว้พ่อเกียรติแล้วตุ่ยก็แจกตามราคาโซโโซก็ดชันบนล่าไปที่นี่แล้วก็คนถวรรค์เสร็จก็ประมาณแปดโมงครึ่งตั้งเขาจะเริ่มเริ่มวงเสวนาเขาจะเป็นเสวนเกี่ยวอ่านกระจกองประทัดใจในตัวหลวงพ่อเกียร ในภาคเชาหลังจากอาหารกง ว, วันก็อาจจะมีต้นตีธรรมะแต่คนีิการคุณคุณจจกจ้ยทรมาจเขาก็เป็นคนพิการซึ่งได้ไปส่งมาทากับหลข้พ่อก็เอาธรรมะจากหลวงพ่อมาใช้ในการใช้ชีวิตแล้วก็แต่งเพลงนเป็นเพลธรรมะแล้วก็อันนี้นก็จะมีองเต็มมาอีกสององแล้วก็ มีคนได า, ายธรรมแต่เขาจะไปสารวิสาโลแค่ว่าจะฝากสุสตโธด้วยก็จะเด็กประมาณตุกตุกเย็นมา็ะาอยู่ส่วนหน่วยธรรมัดเย็นด้วยทีกิจกรรมั้นว่างที่หนึ่งก็ให้แตร่วมพักเช้าพักบ่ายก็ได้หรูอใครจะภ า, า, บบาะวนาตอนเช้าตอนเทีเ่ยงตอนบ่ายไปอยู่ที่แรหนึ่งก็ได้นี่ก็เป็นาน ผมได้ฟังหลวงพ่อคุณเขียนมาแบบนั้นเก่งเลยนะอย่างนั้นเออขวาย